ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรนเห็นอยู่นะโดยพระมาเทียบกับสมัยที่เรายังเล็ก20 30ปีที่ผ่านมาหรือยิ่งเทียบกับสมัยพ่อสมัยแม่ของเราเราสบายกว่ายุคของท่านเยอะเลยหรือสบายกว่าสมัยที่เรายัางเป็นเด็กด้วยซ้ํำจะไปไหนมาไหนนี่ก็ไม่ต้องเดินมีรถทุนแรงทุนเวลา จะไปติดต่อใครนะก็ใช้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์สาธารณะโทรศัพท์บ้านนะแต่ว่าโทรศัพท์มือถือนะติดตัวตลอดเวลาไม่ต้องเสียเวลานะเดินทางไปหาเขาจะกินอะไรก็เดี๋ยวนี้สั่งเอาแม้แต่จะซื้อของเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็ซื้อของได้ อยู่บนเขาอย่างนี้ก็ยังซื้อของดีๆนะราคาไม่แพงไดนะ้เพราะว่าซื้อทางออนไลน์แต่ก่อนนี่จะแม้แต่จะต้มน้ำร้อนนี่้ก็ต้องก่อไฟอย่างนี้เราใช้เวลาไม่นานนะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยก่อไฟเองมีเครื่องไฟฟ้ า, มาเมาต้มน้ำร้อน มีไมโครเวฟอุ่นอาหารทุนแรงทุนเวลาเถ้าจะพูดไปแล้วนี่มันก็พูดได้ไม่หมดนะว่าสมัยนี้มันเรามีความสุขสบายมากขึ้นแต่ก็มีเสียงบ่นนะมากขึ้นด้วยว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ยาก ดูมันสวนทางกันนะในขาที่ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นแต่ผู้คนจะไม่น้อยนี่ก็บ่นว่าชีวิตนี้เดี๋ยวนี้มันอยู่ยากแล้วคนที่ว่าคนที่บ่นที่ว่านี่ก็ไม่ใช่เป็นคนยากไร้ก็มีฐานะควเป็นอยู่ที่ดีบางคนก็มั่งมีร่ารวยด้ยซ้ำแต่ทำไมจึงบอกว่า หรือรู้สึกว่าชีวิตนีมันอยู่ยากนะส่วนนึงก็เพราะว่ามันต้องเป็นสิ่งที่แรกมาเพื่อให้ได้ความสะดกสบายการที่เราจะมีชีวิตที่สดวสบายนี่มันก็หมายความว่าเราต้องทำงานมากขึ้นเพื่อได้มีเงินมาซื้อรถ ซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเราต้องซื้อบ้านนะที่ให้ความสะดวกสบายกับเราเพราะความสะดกสบายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่ได้มาฟรีๆนะมันก็ต้องได้มาด้วยการแลกกับอะไรบางอยา่างนั่นก็คือการทํางานมากขึ้นทํางานหนักกว่าเดิม จะได้มีเงินไว้ค้ำจุนชีวิตที่สดกสบายและความสะดกสบายบางอย่ามก็ทำให้เราอยู่ลำบากขึ้นก็ได้นะอย่างเช่นนะแต่ก่อนนี่พอกลับมาพอทำงานกลับมาบ้านเราก็มีเวลาพักเต็มที่เดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่อยู่บ้านอาจจะไม่ได้พักก็ได้ พอมีโทรศัพท์มือถือทั้งเจ้านายก็หรือเพื่อโรงงานก็สั่งงานเราทั้งที่เราเลิกงานแล้วหรือบางทีก็ต้องอเช็คอีเมลเพอมีงานตามมาถึงบ้านคนก็เรียกว่ามีเวลาพักผ่อนน้อยลงเส้นแบ่งระหว่างงาน กับการพักผ่อนมันก็เดือนลางลงใช่แต่เท่านั้นนะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องแข่งขันกันมากขึ้นใครทำธุรกิจใครทำค้าขายนี่โอก็จะพ่อคู่แข่งเยอะบางทีคู่แข่งมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างเดียวนะมันอาจจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกับเราต่างก็อยากได้ นะตำแหน่งของเราหรือว่าถ้าเราอยากได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ต้องแข่งกันเดี๋ยวนี้มันแข่งกันมากขึ้นแม้กระทั่งขับรถนี่ก็ก็ต้องแย่งผิวจราจรกันทั้งทีนะ่นั่งรถติดแอร์นะแต่ว่าจิตใจมันก็ร้อนรุ่มรถติดบ้าง หรือว่าต้องแย่งชิงผิวถนนกับคนอื่นที่มันแข็งแม้กระทั่งนักเรียนนะจะสอบเข้าโรงเรียนประถมมัธยมยิ่งเหมาทลายนี่โอ้ดูแล้วก็เหนื่อยกว่าแต่ก่อนมากสมัยต่อมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยสอบเอ็นทาน์ที่เดียวนี่ก็ ก็รู้ผลล้เดี๋ยวนี้นักนักเรียนเนี่ยต้องสอบหลายที่หลายแห่งเลืเ่อนยิ่งสอบตรงได้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งทำไมสอบหลายที่เลยนะเพื่อได้มีหลักประกันว่าจะได้มีที่เรียนที่แน่นอนอันนี้คือสิ่ ง, งที่สิ่งที่มันมาเพราะความสะดวกสบายก็เลยทําให้หลายคนรู้สึกว่ามันอยู่ยากขึ้นแต่หเหตุผล อีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือว่าหลายคนเนี่ยอยากสบายมากกว่าเดิมพออยากสบายมากกว่าเดิมนี่มันก็ต้องทำงานเหนื่อยกว่าเดิมมีรถคันเดียวไม่พอต้องมีรถสองคันสามคันมีบ้านหลังเดียวไม่พอต้องมีบ้านหลังสองหลังสามเอาไว้เป็นที่พักผ่อนในชนบท ในต่างจังหวัดนะแถวปากช่องเขาใหญ่พราต้องการความสุดวกสบายมากขึ้นเนี่ยนะมันก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นยิ่งกว่านั้นเนี่ยพอมีความสุดวกสบายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้พอใจเพียงแค่นั้นนะเราอยากได้อย่างอื่นด้วยมีชีวิตที่สะดวกสบายแล้วไม่พอนะต้องมีชีวิตที่อินเทรนด์นะ อินเทรนเดี๋ยวนี้ถ้าหลุดจากเทรนก็ไม่พอใจฐานะที่ชีวิตก็สดกสบายแล้วแต่อยากได้อย่างอื่นด้วยอยากเกอบกลุ่มอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนชื่นชมนิมยมยกย่องว่าเราเป็นคนทันสมัย ก็ต้องพยายามก็เลยต้องพยายามจะเกาะกระแสเอาไว้เพื่อนเพื่อนมีกระเป๋ามือถื อ, อกระเป๋าสปายราคา5้0แสนราคา1ล้านงล้านเราก็ต้องมีบ้างไม่งั้นเราก็หลุดจากกลุ่มหรือว่าเป็นที่อ่าดูถูกนะของคนอื่นเขาอ่ามีรถธรรมดาไม่พอต้องมีรถเบนซ์หรือว่าที่รถราคาแพง อันนี้มันไม่ใช่เพื่อความสุดกสบายนะแต่ว่าเพื่อหน้าตานมันเป็นการสนองอัตตาหรือปนเปลื่มมารณเนีนะ่ยมันไม่ใช่แค่สนองตัญหาอย่างเดียวนะอันนี้กลายเป็นปัญหานะที่สร้างความทุกข์ใจกับผู้คนพออยากมีหน้ามีตาแล้วเนะี่ย เดียงน้อยเนี่ยไม่เป็นที่ดูถูกครหาของใครใครเขามีแล้วก็ต้องมีบ้างเดี๋ยวนี้มีคาว่าของมันต้องมีนะของมันต้องมีเพราะว่าใครๆเขาก็มีกันถึงเวลามีเท่าคนอื่นก็มันยังไม่พอนะต้องมีมากกว่ามันจะได้เป็นที่โดดเด่นนะที่เชิดหน้าชูตารวยเท่าคนอื่นไม่พอนะต้องรวยกว่าคนอื่นด้วย คนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แค่ต้องการอยากจะรวยมันต้องรวยกว่าคนอื่นรวยกว่าเพื่อนบ้านรวยกว่าเพื่อนร่วมรุ่นนะถ้าทำงานจะรวยกว่าแล้นก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเยาว่าแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อที่จะได้รวยกว่าเลยนะเพียงแค่จะซื้อของสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันก็ทุกข์แล้วนะเพราะว่าของมีเยอะไม่ใช่ไม่มีเงินนะมีเงินนะแต่ว่าของที่จะซื้อนี่มันหลานตาไปหมดไม่ใช่แค่ของถูกของแพงก็เหมือนกันเสื้อผ้าก็มีหลายแบรนด์เดี๋ยวนี้คนมีปัญหามากปัญหาคนมีเงินนะก็คือว่า ซื้อไม่ถูกนะหรือว่าผู้ยานคือเลือกไม่ถูกกลัวว่าซื้อไปแล้วนะมันจะมีของอื่นที่ดีกว่ากลัวว่าของที่เราได้นี่มันจะไม่ดีที่สุดกนะ็เลยต้องคิดแล้วคิดอีกนะกว่าจะเลือกซื้อแต่ละอย่างแต่ละอย่างทั้งที่ราคาแพงทั้งที่มีเงินนะแต่ว่ามันตัดใจยากนะ รักพี่เสียดายน้องนี่ก็เป็นปัญหาของคนจำนวนหนึ่งไม่ใช่แค่ซื้อของอยู่เดือนนะไปเที่ยวนะโอยมีที่เที่ยวเยอะสมัยก่อนโควิดนี่หลายคนนี่เลือกลำบากเราจะไปเที่ยวที่ไหนดียุโรปญี่ปุ่นหรืออเมริกาแม้แต่ยุโรปนี่จะไปประเทศไหนดีไปเมืองไหนดีบางที พี่เสดายน้องก็เหมาหมดเลยนะไปสิบเมืองในเวลาสิบเอ็ดวันเนี่ย <c oughs> อย่างนี้มันไม่มันไม่เหนื่อยอยังไงนี่ก็ส่วนหนึ่งนะเป็นเหตุผลทำให้คนรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากนะมันไม่ใช่ว่าชีตมันลำบากแต่จะว่าไปแล้วมันเป็นการเลือกนะของเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นเองยวไม่ต้องพูดถึงว่า มันมีสิ่งกระตุ้นเราให้มีความอยากโน่นอยากนี่ไม่หยุดหย่อนหากห้ามใจลำบากยังอยากจะได้ไปทุกอย่างเลยคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยก็เป็นนิเป็นศิลแต่คนที่มีมากก็ก็ไม่รู้ว่าจะเมาทุกอย่างได้อย่างไรในเมื่อเวลามีจำกัด นี่บางคนนี่ซื้อมาแล้วนี่ถึงเวลาจะใช้เนี่ยเช่นเสื้อผ้าเนี่ยจะออกงานนี่ความทุกข์ของคนประเภทนี่คือไม่รู้จะเลือกเสื้อตัวไหนกางเกงหรือกระโปรงตัวไหนเพราะมันเยอะไปหมดทำไงไนจะให้ดูดีใ น, ในสายตาของคนอื่นจะใส่ตัวไหนดนะีกลายเป็นความยากลำบาก อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนจำนวนมากนี่บอกว่ามันอยู่ยากจริงๆเนี่ยชีวิตมันมันอยู่ไม่ยากนะถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตที่เรียบง่ายคนเรานี่ถ้าว่ารู้จักใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายนะอย่างที่เขาเรียกว่ามีชีวิตที่สันโดษหรือสมถะเนี่ยการมีชีวิตก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราเลือกนะ ที่จะมีชีวิตที่เรียบง่ายมันจะไม่มีคำบนนะว่านี่อยู่ยากไม่ต้องดินลนนะแข่งขันกับใครพอใจในความสะดวกสบายที่มีอยู่นะไม่ปรารถนาที่จะสบายมากกว่า น, นั้นเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีนะถ้าได้ความสะดกสบายมากกว่า น, นี้ชีวิตก็ต้องเหนื่อยยากกว่าเดิม คนเราในะ่าเรารู้จักใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเสื้อผ้ามีไม่กี่ชิ้นรองเท้ามีไม่กี่คู่อาจจะมีแค่สองาคู่หรือน้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าว่าสามารถจะมีชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยนะชีวิตมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็จะมีความสุขได้ไม่ยากแต่ทำงั้นได้เนี่ยนะมันก็ต้อง รู้เท่าทันนะกระสายโลกด้วยนะเพราะกระสายโลกเนี่ยนะมันคอยกระตุ้นให้เรามีความอยากไม่หยุดหย่อนบางทีมันทำให้เรารู้สึกเกลียดตัวเองไม่พอใจตัวเองถ้าเรามีไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้เราต้องมีนั่นมีนี่เพื่อที่เราจะได้นะรู้สึกมีหน้ามีตาหรือว่าสามารถจะ มองหน้าตัวเองในกระจกได้อันนี้ก็เป็นเพราะเรานะหลงไม่รู้เท่าทันนะกระแสโลกนะที่มันมุ่งกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความอยากไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นงั้นถ้าเราเรือท้อทันความอยากถ้าเรื่อท้อทันกระแสโลกเนี่ยนะ เ, เราก็จะไม่หลงเชื่อมันง่าย ไม่หลงเชื่อว่าเนี่ยต้องถ้ามีแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสมามรถเราจะแมนกว่าเดิมเราจะเป็นที่เหลือมองของคนอื่นแต่รู้ ร, รู้านกระแสล่วงยะไม่พอนะมันต้องรู้ว่ารู้จุดหมายของชีวิตด้วยรู้สาระของชีวิตนะรว่า อะไรคือแก่นสารของชีวิตยอย่างที่เขาว่าเนี่ยรู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรถ้าคนเราถ้ารู้จักแกนสายของชีวิตเนี่ยหรือสารัฐถาของชีวิตเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอ้การมีสิ่งเสพสิ่งปนเปือเป็นปนเปือเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมหรือเรื่องความสะดกสบายเนี่ยมันเป็นเรื่องกระพี้นะ มันไม่ใช่แก่นสารของชีวิตและมันก็ไม่ใช่ให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงคนที่เข้าใจนะจุดหมายของชีวิตว่าอยู่ไปเพื่ออะไรหรือว่าเข้าใจแก่นสารของชีวิตเนี่ยนะก็จะไม่ไปให้ค่านะกับเรื่องความสุดกสบายเดือพรพะจักวัตถุสิ่งเสพมากนัก จะกินก็ไม่ใช่เพื่อความป็นเลอร่อยจะใส่เสื้อผ้าก็ไม่ใช่เพื่อความสวยความงามหรือว่าเพื่อความมีหน้ามีตาเพราะกลุการสางชงช่วยคือการทําความดีนะการทําประโยชนนะ์ให้กับส่วนรวมการเกื้อกูลเพื่อมนุษย์รวมทั้งการนะ เข้าถึงความสงบในจิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะการลดความเห็นแก่ตัวลดความโลภรู้เท่าทันกิเลสตัณหาแล้วพยายามทำตัวให้ตัวตวนให้เบาบางลงลถ้ารู้หรือเข้าใจเนี่ยสาระถาของชีวิตเนี่ยการมีชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ย มันก็จะเกิดขึ้นเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำยอมมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเดยเพราะถ้าหากว่ารู้จักเข้าถึงความสุขภายในหรือความสุขที่เกิดจากการทำความดีจะไม่ใช่แค่รักษาศีลนะแต่ว่ารวมไปถึงการเ อ, อ, เอรื้เอเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น และที่สมคคือว่าสามารถที่จะเข้าถึงความสงบเย็นภายในซึ่งก็หมายถึงการรู้เท่าทันกิเลสตัณหาไม่ปล่อยให้มันมารบ ก, กวนจิตใจหรือว่ามาเผารวนจิตใจให้รุ่มร้อนบาคนเราเนีถ้าว่าเข้าถึงความสงบเย็นภายในมันก็จะมีความสุขจากภายในเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง การที่จะไปหาความสุขจากสิ่งเสพภายนอกไอความสะดกสบายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่มาแห่งความสุขที่แท้จริงมันมันให้ความสุขกายก็จริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะหมายถึงความสุขใจคนที่เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงความสงบภายในความสุขภายในได้เนี่ย ก็ธรรมดานะที่ต้องไปแสวงหาความสุขจากภายนอกจากวัตถุสิ่งเสพจากคำชื่นชมสรรเสริญจากการมีหน้ามีตาหรนะือว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องจากการมียอดไลคนะ์อันนี้เพราะเขาไม่รู้จักหรือเข้าถึงความสุขภายใน คนเราพอถึงความสุขภายในแล้วเนี่ยนะไอการสว่างความสุขจากภายนอกจากวัตถุสิ่งเสพมันก็จะมีน้อยลงเพราะนนั้นการอยู่แบบเรียบง่ายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไดเน้เกิดขึ้นได้เองเป็นอัตโนมัติแล้วพอ ร, รู้ว่ามีมากกว่านั้นแล้วเนี่ยชีวิตมันจะวุ่นวายยุ่งยากเมื่อมีความสุขภายในนะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วเนี่ยนะ มันก็ไม่เป็นต้องไปดิ้นรนแสวงหาความสุขจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงความสารสิเสริญการมีหน้ามีตาหรือว่าการมีทรัพย์สินเงินทองมากๆแต่จะทำงานได้เนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าอะไรคือจุดหมายของชีวิต หรือว่ารู้อะไรรู้อะไรเป็นแก่นสารของชีวิตนะเท่านั้นนะมันต้องรู้ทันกิเลสตัณหาหรือว่ารู้ทันความสึกนึกคิดของตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสตัณหาปล่อยใจให้ไหลไปตามความสึกนึกคิดเนี่ยมันก็ ง่ายนะที่จะตกเป็นทาตของความอยากที่เกิดจากสิ่งเรอาังนั้นการรู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะหลายคนก็รู้นะว่าชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ประเสริฐคืออะไรเนี่ยแต่มันก็ไม่สามารถจะนําพาชีวิตให้เข้าสู่ความเรียบง่ายก็ออยังหลงติดอยู่ในวัตถุสิ่งเสพเพราะว่า เขไม่รู้ทันนะความสุขนึกคิดภายในจิตใจก็รุ่มร้อนด้วยความอยากแต่พอรู้ทันความสุขนึกคิดหรือรู้ทันกิเลสเนี่ยไม่ต้องกดข่มมันนะแค่รู้ทันแล้วรู้จักวางจิตใจก็จะพบความสงบและความสุขภายในเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่มีชีวิที่เรียบง่าย มันก็อาจจะยังไม่พอนะที่จะทำให้คนเราในยุคนี้มีความสุขเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความทุกข์ของผู้คนเนี่ยส่วนหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการดิ้ น, นรนแสวงหาวัตถุสิ่งเสพหรือว่าการแสวงหาวความมีหน้ามีตาแต่มันเกิดจากการที่ไม่รู้จัก วางตัววางไม่รู้จักวางจิตวางใจอย่างไรในยุคปัจจุบันซึ่งมันมีซึ่งมันเป็นยุคที่มีความเห็นที่หลากหลายมากอย่นี้ผู้คนมีความคิดหลากหลายซึ่งถ้าหากเราวางจิตวางใจไม่เป็นนะมันเกิดความขัดแยง้งความขัดแยง้งันไม่ได้เกิดขึ้นนะกับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานบางทีมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว พอคิดไม่เหมือนกันนะมองไม่เหมือนกันเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดความเห็นที่แตกต่างกันได้นั่นคือต้องมีความเข้าใจในความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ไม่ยึดติดในความคิดของตัวเองเพอไม่งั้นเนี่ยนะมันก็จะเกิดความขัดแย้งจนเกิดการทะเลาะบอกแวงกันได้ง่าย แม้จะมีชื่อที่สมถะเรียบง่ายนะแต่ว่าจิตใจก็รุมร้อนเพราะว่ามีความขัดแย้งกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวพ่อแม่ขัดแย้งกับลูกนะหรือว่าสามีขัดแย้งกับภรรยาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คนมีความเห็นในบางเรื่องหรือในหลายเรื่องนี่ตรงข้ามกันเลยบางเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีคนคิดแบบนี้ มันกลับมีคนคิดแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวนั้นถ้าไม่รู้จักวางใจให้เป็นมันก็อยู่ยากนะในที่สำคัญคญือต้องมีสติให้ด้วยต้องมีสติในการดำเนินชีวิตแม้กระทั่งชีวิตประจำวันเพราะว่าขาดสติเมื่อไหร่นี่ มันก็จะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาสมัยนี้อะไรมันก็เร็วขับรถถ้าไม่มีสตินะก็เดือดร้อนง่ายๆก็คือุบัติเหตุได้ง่า ย, ย, ายพิมพ์ข้อความลงไปเขียนคอมเมนต์ลงไปถ้าขาดสติหรือว่าโพสความเห็นด้วยอารมณ์ก็จะเกิดปัญหาตามมาอันนี้คือความทุกข์ของคนสมัยใหม่นะ ซึ่งส่วนอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ยังปรับตัวปรับใจไม่ถูกกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ส่วนนึงก็เพราะว่าไม่รู้ทันไม่รู้ทันความสึกนกคิดในตัวเองโดยเพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เพราะว่าขาดสติมันก็เลยคําพูดการกระทำหรือการพูดก็ไหลไปตามอารมณ์ แล้วก็เลยเกิดเรื่องเดือดร้อนตามมาชีวิตมันสมัยนี้มันอยู่ยากนะเพราะว่าคนไม่ค่อยระ ม, มัดระวังตัวคนไม่ค่อยมีสติกันไม่ใช่มีสติรู้ทันความอยากอย่างเดียวแต่ต้องรู้ทันนะความโกรธหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจอความเหตุที่แตกต่างหรือเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจถ้าเราคลองสติได้เราก็คลองตนได้ไม่ยากถ้าเราคลองตนได การที่จะมีชวิตในโลกปัจจุบันมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากหาไม่แล้วเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องเตือนเนื้อร้อนใจตามามากมายทั้งนั่งที่ชีวิตก็สะดวกสบายนะแต่ว่ามันมีเรื่องร้อนอกร้อนใจมากมายสมัยนี้เราต้องมีสติกันได้มากขึ้นนะรู้ เท่าทันจิตใจของตัวเองให้รวดเร็วอย่าง น, น้อยๆเนี่ยก็รู้จักคลองตนด้วยสตินั้นถ้าเรามีสติมากเท่าไหร่เนี่ยการที่เราจะดำรงชีวิตในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็มีเรื่องเดินเนื้อร้อนใจนะน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ เอาคำเียวพุทธนินนะเอาคระั